ประหินสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลละได้ภิกษุทั้งหลายธรรมหกประการนี้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้วธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิ ก, กิจชา 3. าสีลพัตะปรามาตส 4. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบายห โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายทำหประการนี้แลที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้วปหินสู ท, ที่หจบ7อาภัสสูว่าด้วยผู้มีอาจให้ทำเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้มิอาจให้ทำหกประการเกิดขึ้นได้ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. ศสักกายทิฐิ 2. วิจิกกิจชา 3. ามสีลปะตะปรามาต 4. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายพิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิ เป็นผู้มีอาจให้ทำหกประการนี้แลเกิดขึ้นได้อาภพภสูตรที่เจจบ 8. ปดปฐมมะอภพฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่มิอาจเป็นได้สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายฐานะที่มิอาจเป็นไดหกประการนี้ฐานะที่มิอาจเป็นไดหกประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหนึ่ง เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดา 2. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรม 3. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์สเป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศิขา 5. เป็นผู้มีอาจกลับมาสู่เหตุที่มีควรเข้าถึง 6. เป็นผู้มีอาจให้พบที่8ดเกิดขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้หกประการนี้แหละปฐมอาภัพทานสูตรที่แปดจบเก้าุติยาอาภัพทานสูตรว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้หกประการนี้ ฐานะที่มีอาจเป็นได้หประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 1. เป็นผู้มีอาจยึดถือสังขารว่าเป็นของเที่ยง 2. เป็นผู้มีอาจยึดถือสังขารว่าเป็นสุข 3. เป็นผู้มีอาจยึดถือธรรมว่าเป็นอัตตา 4. เป็นผู้มีอาจทมอนันตเรียกรรมห เป็นผู้มีอาจเชื่อความบริสุทธิ์โดยถือมงคลตื่นข่าว 6. เป็นผู้มีอาจแสวงหาเขตบุญนอกศาสนานี้ภิกษุทั้งหลายฐานะที่มิอาจเป็นได้6ประการนี้แหลทุติยะอาภัพทานสูที่9จบ ตาติยะอาภัพถพานสูตรว่าด้วยฐานะที่มีอาจเป็นได้สูตรที่สภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้หประการนี้ฐานะที่มีอาจเป็นได้ห ป, ป, ประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 1. เป็นผู้มีอาจฆ่ามารดาสองเป็นผู้มีอาจฆ่าบิดา 3. เป็นผู้มีอาจฆ่าพระอรหันต์เป็นผู้มีอาจมีจิตคิดประทุษร้ายเพื่อทำโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้น 5. เป็นผู้มีอาจทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 6. เป็นผู้มีอาจนับถือาศาสดาอื่นภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการ น, นี้แหลตติยะอาภัพฐานสูที่10จบส1อ จตุถะอาภัพฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่ม่อาจเป็นได้สูตรที่สี่ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้หประการนี้ฐานะที่ม่อาจเป็นได้หกร ป, ประการอะไรบ้างคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหนึ่งเป็นผู้มีอาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ตนเองทําไว้ 2. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ผู้อื่นทำไว้ 3. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ตนเองและผู้อื่นทำไว้ 4. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเองและตนเองไม่ได้ทำไว้ 5. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเองและผู้อื่นไม่ได้ทำไว้ 6. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเอง ที่ตนเองและผู้อื่นไม่ได้ทำไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเหตุและทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุอันบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐินั้นเห็นได้ดีภิกษุทั้งหลายฐานะที่มีอาจเป็นได้หกประการนี้แหละจะตุถาอาภาพธานสูตรที่ 11. อจบสีติวักที่เกจบรวมพระสูตรที่มีนิวักนี้คือ 1>, 1. สีติภาวสูตร 2. อาวารณตาสูตร 3. โวโรปิตสูตร 4. สุสุสติสูตร 5. อาอหายยสูตร 6. ปหินะสูตร 7. อาอภ พ, าพาสูตร 8. ปดฐมมะอภาพาพทานสูตร 9. ทุติยาอภพาพทานสูตร 10. ตาติยะอาภาัพถานสูตรสิบเอ็ดจตุธาอาภัพถานสูตรสิบอาณิสังสวรหมวดว่าด้วยอานิสงหนึ่งปาตุภาวะสูตรว่าด้วย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 หาได้ยากในโลกสี่ความมีอินทรีย์ไม่บกพร่องหาได้ยากในโลก 5. ความไม่โง่เขลาความไม่เป็นคนเซอะหาได้ยากในโลกหกความพอใจในคุณธรรมหาได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายเหตุปรากฏหกประการนี้แลหาได้ยากในโลกปาตุภวสูรที่หนึ่งจบสอง อนิสังสสูตรว่าด้วยอานิสง์แห่งโสดาปฏิผลภิกษุทั้งหลายอานิสง์แห่งการทำให้แจ้งโสดาปฏิผล6ประการนี้อานิสงฆ์หกประการอะไรบ้างคือ 1. มีความแน่นอนในสัตยธรรม 2. มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา 3. ทําที่สุดแห่งทุกได้ไม่มีความทุกข์่ ประกอบด้วยอาสาธารณยาน 5. เห็นเหตุได้ดี 6. เห็นธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุได้ดีภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งโสดาปฏิผลหกประการนี้แหลอานิสังสสูตรที่สองจบ 3. อานิจจสูตรว่าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายหนึ่ง เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกสุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของเทียงจะประกอบด้วยอนุโลมิกะคันติได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกสุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกะคันติจะก้าวลงสู่สมมตานิยามได้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกสุผู้ไม่ก้าวลงสู่สมมตานิยามจะทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกะทาคามิผล อนาคามิผลหรืออรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงจะประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ 2. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจะ ก, ก้าวลงสู่สมุทตนิยามได้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สมมตินิยามจากทำให้แจ้งโสดาปฏิพลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้อ น, นิจจสูตรที่สจบ 4. ทุกขสูตรว่าด้วยความเป็นทุกขภิกษุทั้งหลายหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นสุข ละถึงภิกษุทั้งหลายหนึ่งเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกขละึงทุกขสูตรี่4จบ 5. อนัตตูสูว่าด้วยความเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมว่าเป็นอัตตาละถึง ภิกษุทั้งหลายหนึ่งเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาและถึงอนัตตสูตรที่ห้าจบ ห, หกนิพพานสูตร ว่าด้วยนิพพานภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์จะประกอบด้วยอนุโลมิกะขันติได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีประกอบด้วยอนุโลมิกะขันติจะก้าวลงสู่สมัตตนิยามได้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สมัตตนิยาม จกทำให้แจ้งโสดาปฏิพลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลาย1เป็นไปได้ที่พิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นสุขจะประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้2เป็นไปได้ที่พิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจะก้าวลงสู่ส ม, มัตนิยามได้3 เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สมมตินิยามจากทำให้แจ้งโสดาปฏิพลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้นิพานสูตรที่6จบ 7. อนนวัถิตสูตรว่าด้วยความไม่มั่นคงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสงหกประการสามารถทำเขตไม่จำกัด ในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้อานิสงส์หกประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่า 1. สังขารทั้งปวงจะปรากฏว่าเป็นของไม่มั่นคง 2. ใจของเราจะไม่ยินดีในโลกทั้งปวง 3. ใจของเราจะออกไปจากโลกทั้งปวง 4. ใจของเราจะน้อมไปสู่นิพพาน 5. สังโยชน์ทั้งหลายของเราจากถึงการละได้ 6. เราจากเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญะ อ, อันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสงฆ์หกประการ น, นี้แลสามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้อนวัตถิตะสูตรที่ 7. จบ 8. อุคิตาสิกะสูตร ว่าด้วยนิพพิทาสัญญาเหมือนพจัาตผู้เงื้อดาขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสง์หกประการสามารถทำเขตไม่จํากัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้อนิสงฆ์หกประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่าหนึ่งนิพพิทาสัญญา ความกำหนดหมายความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงจกปรากฏแก่เราเหมือนเพชคาตผู้เหงือดาบขึ้น 2. ใจของเราจะออกไปจากโลกทั้งปวง 3. เราจะมีปกติเห็นสันติในนิพพาน 4. อนุสัยของเราจากถึงการเพิกถอน 5. เราจะทำตามหน้าที่ 6. เราจะมีเมตตาบํารุงพระศาสดา ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสง์หกประการนี้แลสามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้ปุคคิตาสิกขสูที่8จบ ๙อาตมมะยะสูตรว่าโดยอะตมมะยะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสงส์หกประการสามารถทําเขตไม่จากัดในธรรมท่องปวงแล้วทําอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้อนิสงส์หกประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่า 1. เราจะเป็นอะตมมะยะ 2. อาหางการของเราจะดับไป 3. มมามังการของเราจะดับไป 4. เราจะเป็นผู้ประกอบโดยอาสาธารณญยาน 5. เราจะเป็นผู้เห็นเหตุได้ดี 6. เราจะเป็นผู้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุได้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสงส์6กประการนี้แหลสามารถทำเขตไม่จำกัดในธรรมทั้งปวง แล้วทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้อาตมมยสูตรที่9จบ 10. ภพวสูตรว่าด้วยภพและศึกขาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรละภพสามประการนี้ควรศึกษาในศึกขาสามประการภพสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามาภพภพที่เป็นกามาวจร 2. รูปภพ ภพที่เป็นรูปาวจร 3. าอารูปภพภพที่เป็นอรูปาวจรนี้คือภพสามประการที่ภิกษุควรละศิกขาสามประการอะไรบ้างคือ 1. อธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่ง 2. อธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่ง 3. อาอธิปัญญสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิง่ง นี้คือศิกขาสามประการที่ภิกษุควรศึกษาภิกษุทั้งหลายเพราะพิกษุละพบสามประการนี้ได้และศึกษาศิกขาสามประการนี้ได้เราจึงเรียกพิกษุนี้ว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบภาวะสูตรที่สิจบ11ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหาและมานะภิกษุทั้งหลายภิกษุควรละตัณหาสามประการและควรละมานะสามประการตัณหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. กรรมตัณหาความทยานอยากในกรมธาตุสรูปตัณหาความทยานอยากในรูปธาตุสา 3. อารูปตัณหาความทยานอยากในอรูปธาตุ นี้คือตันหาสามประการที่พิกษุควรละมานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. มานะความถือตัวว่าเสมอเขา 2. โอมานะความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 3. อติมานะความถือตัวว่าดีกว่าเขานี้คือมานะสามประการที่พิกษุควรละภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุละตันหาสามประการนี้ได้ และละมานะสามประการนี้ได้เราจึงเรียกภิกษุนี้ว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบตัณหาสูตรที่สิอ็ดจบอนิสังสวรที่ส0บจบโรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือหนึ่งปาตุภาวสูตรสองอนิสังสสูตรสอนิจจสูตร 4. ทุกขสูตร 5. อนัตตสูตร 6. นิพพานสูตร 7. อนัวัิตะสูตร 8. อุโคิตาสิกะสูตร 9. อตาตรมยสูตร 10. ภาวะสูตร 11. ตันหาสูตรทุติยปันนาจก 1ิติดกกะวักหมวดว่าด้วยทำหมวดละส 1. ราคะสูตรว่าด้วยราคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลง ภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. ภิกษุควรเจริญเมตตาเพื่อละโทสะ 3. ภิกษุควรเจริญปัญญาเพื่อละโมหะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลราคะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุจริตสูตรว่าด้วยทุจริตภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจิทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา ส ม, มนโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญกายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายเพื่อละกายทุจริต 2. ภิกษุควรเจริญวจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจาเพื่อละวจีทุจริต3ภิกษสุควรเจริญมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจเพื่อละมโนทุจริตภิกษสุทั้งหลายภิกษสุควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลทุจริตสูตรที่สองจบ3วิตกกะสูตรว่าด้วยวิตกภิกษสุทั้งหลาย ทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามวิตกความตรึกในทางกรรม 2. พยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาท 3. วิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละทำสามประการนี้ ทำสาประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญเนคขมะวิตกความตรึกปลอดจากการเพื่อละกามวิตก 2. ภิกษุควรเจริญอภยบาตรวิตกความตรึกปลอดจากพยยบาทเพื่อละพยยบาตรวิตก 3. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาวิตกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลวิตกะสูตรที่3จบ4สัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามสัญญาความกำหนดหมายในทางการ 2. พยาบาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาท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 ภิกษุควรเจริญอพยบาทสัญญาความกำหนดหมายปลอจากพยาบาทเพื่อละพยาบาทสัญญา 3. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายปล่อจากการเบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลสัญญาสูตรที่4จบ 5. ้าทาตุสูตรว่าด้วยธาตุภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามธาตุธาตุคือกาม 2. พยาปาทธาตุ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 สองพุุควรเจริญอพยาปาทธาตุาธาตุคือความปลอดจากพยาบาทเพื่อละพยาบาทธาตุสามพุุควรเจริญอวิหิงสาธาตุธาตุคือความปลอดจากการเบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาธาตุพุทธุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อละทรสามประการนี้แลทาตุสูตรที่หจบห อาสาทศูดว่าด้วยอาสาททิฏฐิภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งอสาททิฏฐิสองอาตานุทิฏฐิ 3. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละทำสามประการนี้ ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญอนิจจสัญญาความกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารเพื่อละอส า, า, าทะทิฐิ 2. ภิกษุควรเจริญอนัตตสัญญาความกำหนดหมายรู้ความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงเพื่อละอัตานุทิฐิ 3. ภิกษุควรเจริญสัมมาทิฐิความเห็นชอบเพื่อละมิจฉาทิฐิ ภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลอัสาทสูตรที่6จบ 7. อารติสูตรว่าด้วยอรติภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. อารติความไม่ยินดี 2. วิหิงสาความเบียดเบียน 3. อธรรมจริยาการประพฤติ ธ, ธรรมภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละธรรม3ามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญมุทิตาความยินดีเพื่อละอารติ 2. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาความไม่เบียดเบียน เพื่อละวิหิงสา3ภิพษุควรเจริญธรรมจริยาความประพฤติธรรมเพื่อละอธรรมจริยาพิกษุทั้งหลายพิกษุควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อละธรรมสามประการนี้แลอารติสูตรที่เจจบ8สันตุทิตาสูตรว่าด้วยสันตุทิตาพิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. อาศันตุติตาความไม่สันโดษ 2. อาอาศัมปัญญะความไม่มีสัมปชัญญะ 3. มหิจตาความปรารถนามากพิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แหละพิษุทั้งหลายภิษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ หนึ 1> 1. ่งุควรเจริญสันตุติตาความสันโดษเพื่อละอสันตุติตา 2. ภิกษุควรเจริญสัมปัญญะความมีสัมปัญญะเพื่อละอสัมปัญญะ 3. ภิกษุควรเจริญอภิชตาความปรารถนาน้อยเพื่อละมหิชตาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรจเจริญทำ3ามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลสันติตาสูตรที่8จบ 9. โทวจัสตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้ว่ายาก ภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ว่ายาก 2. ความเป็นผู้มีปาปะมิตรมิตรชั่ว 3. าความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ภิกษุควรเจริญความเป็นผู้ว่างง่ายเพื่อละความเป็นผู้ว่ายาก 2. ภิกษุควรเจริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดีเพื่อละความเป็นผู้มีปาปมิตร 3. ภิกษุควรเจริญอาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญทำ3ามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลโทวัจสตาสูที่9จบ 10. อุทจจะสูตรว่าด้วยอุทจจะภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. อุทจจะความฟุ้งซ่าน 2. อสังวระความไม่สำรวม 3. ประมาทะ ความประมาทภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละทำสามประการทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญสมถะความสงบแห่งจิตเพื่อละอุทจักสองพิษุควรเจริญสังวระความสำรวมเพื่อละอสังวระ 3. ภิกษุควรเจริญอัปมาทะความไม่ประมาทเพื่อละประมาทะภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลอุทจจะสูตรที่10จบดิกะวักที่สิอ็ดจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. ราคะสูตร 2. ทุจริตสูตร 3. วิตกสูตร สสัญญาสูตรห้าทาตุสูตร 6. อาสาทสูตร 7. อารติสูตร 8. สันตุธิตาสูตร 9. โทวัจสตาสูตร 10. อุทจจะสูตรส2สองสามัญวัคหมวดว่าด้วยธรรมทั่วไปหนึ่งกายานุปัสสีสูตรว่าด้วย ผู้ควรเจริญกายานุปัสนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ทำห6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ หความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการ น, นี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำหกประการได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ทำหกประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 จึงอาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่กายานุปัสสีสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทงธรรมานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้ควรเจริญธรรมานุปัสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่และถึงพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่และถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่และถึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ละถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายในอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายนอกอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ ละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการไม่ได้ก็มิอาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ละถึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ละถึงทำหกประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ความเป็นผู้ชอบการงานสองความเป็นผู้ชอบการพูดคุยสามความเป็นผู้ชอบการนอนหลับสี่ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ห้าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหกความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการ น, นี้แลไม่ได้ ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมหประการได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงานละถึง 6. ความเป็นผู้มีรู้จักประมาณในการบริโภค ภิกษุทั้งหลายภิกษุละรรหกประการนี้แลได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ธรรมานุ ป, ปัสสีสูตรที่สองจบ3 ตปุษสสูตรว่าด้วยตปุษสขหบดีภิกษุทั้งหลายตปุษสขหบดีประกอบด้วยทรหกประการเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมตะธรรมทําให้แจ้งอมตะธรรมอยู่ทำหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพุทธเจ้า 2. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในธรรม 3. ความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในงสงฆ์อริยะศีล 5. อริยญาณ 6. อริยวิมุตติกษุทั้งหลายตปุสสะพหบดีประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมตะธรรมทำให้แจ้งอมตะธรรมอยู่ตปุสสะสูตรที่สจบ 4. ถึงย3สสาม พันลิกาทิสูตรว่าด้วยพันลิกะข้าบดีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายพันลิกะขหบดีประกอบด้วยธรรมหกประการละถึงสุทัตตะอนาทบิณิกะข้าบดีจิตตะข้าบดีชาวเมืองมชัชจิกาสันหัตกะข้าบดีชาวเมืองอาราวีเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะ อุขะฆะค่บดีชาวเมืองเวสาลีอุคตะค่บดีสุระอัมพัทตะค่บดีหมอชีวโกมารพัทนกุลละปิตาค่ะบดีตวะกันยิกะค่ะบดีปูรณะค่บดีอิสิทตะค่ะบดีสันทานะค่บดีวิชัยค่ะบดีวิชยมหิตะค่ะบดีเมนทกะค่ะบดี วาเสตตาอุบาสกอริตตาอุบาสกสาธัตตะอุบาสกประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมะตะธรรมทําให้แจ้งอมะตะธรรมอยู่ธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพุทธเจ้า 2. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในธรรม 3. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในสง์ 4. อริยศีล 5. อริยยาน 6. อริยวิมุตตภิกษุทั้งหลายสาธัตตะอุบาสกประกอบด้วยธรรมประการนี้แลเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมตะธรรมทำให้แจ้งอมตะธรรมอยู่พันลิกะทิสูตรที่สถึง23จบราคะเปยาญาณพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำห6ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำห6ประการอะไรบ้างคือ 1. ทัศนานุตริยาการเห็นอันยอดเยี่ยม 2. สวนณานุตริยการฟังอันยอดเยี่ยม 3. ลาพานุตริยการได้อันยอดเยี่ยม 4. สิกขานุตริยาการศึกษาอันยอดเยี่ยม 5. บาริเจริยานุตริยาการบำรุงอันยอดเยี่ยม 6. อนุสตานุตริยาการระลึกอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำห6ประการ น, นี้แลเพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำห6ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำห6ประการอะไรบ้างคือ 1. พุทธานุสติ การระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2. ธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรม 3. สังขานุสติการระลึกถึงพระสงฆ์ 4. ศีลานุสติการระลึกถึงศีล 5. จาคานุสติการระลึกถึงการบริจาค 6. เทวตานุสติการระลึกถึงเทวดาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญทำห6ประการนี้แลเพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำห6ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. องนิจเจทุกขสัญญา 3. ทุกเข อ, อนัตตสัญญา 4. ปหาณสัญญา 5. วิราคะสัญญา 6. นิโรธสัญญาภิกสุทั้งหลายภิกสุควรเจริญทํา6ประการนี้แลเพื่อรู้ยิ่งราคะภิกสุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทํา6ประการเพื่อกำหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะ เพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกสุทั้งหลายบุคคลเจริญทำห6ประการ น, นี้แหลเพื่อความสละคืนราคะภิกสุทั้งหลายบุคนคลควรเจริญทำห6ประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายละถึงเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะ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 มัจฉริยะความตรณีมายามานยาสาเถยยะความโ อ, โอ้อวดธรรมภะความหัวดือ้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามะทะความมัวเมาปมาทะความประมาทละถึงภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำหกประการนี้แล